เธรรมะเฉพาะบทพระเราบทพระวาเป็นอีกแบบเดืธรรมะเดือดแห่งชาทั้งเลกนักบวชในศาสนาจิตกลางงานจิตสาคัญจิตศึกจิตพระพุทธเจ้าสอนตลอดถึงประตาอาจารย์ เป็นสมบัติปกษเป็นทุกขตามนานาเป็นจิตจิั้งคัยิ่งไม่มีปิอื่นจึเหนือไปจากจิตจื่อเทวะเจ้าป็นสอนกรจายใจเนแนะนำมบัตทางศาสนาที่ว่าลูกศิษคือการสอนของเทะเจ้าเป็นบรรจัดให้ ที่สื่อถานนเรนศึกษาเป็นทั้งหาหรืออนมซตาที่ทํานบอกไว้อเมซ่าก็คืออย่างจิตถือทุกตถานนเนควรเลนและควรกระทำจิตจิตในควรทำสี่อยางมันระยกถึงเรื่อง และทิกที่สี่แต่ต้องฝ่าผืนทนิุนั้นขาดผืนขาดจากทิุหมายถึงข้างล็ดลักของเขาราคาจะหนึ่งบาทขึ้นไปเกิดการเบียดคนที่เกดสิด่งไนมีโ น, โนโตอลไรืมีนตอน ก็จะเกิดได้เพราะจิตสุเดือดกันคืออนุตเป็นอนุตเป็นบันนี้จะเป็นบันแต่เนื้อลงไปถึงเทระวะธรรมวิเศษหรือเป็นวิเศษที่เกิดผลเป็นรู้จากการปฏิบัติของตนนั้นถ้าจะพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเราประทปฏิบัติรู้เห็นรู้เด่นอย่างนั้นอย่างนี้กันห้ามกันหรือว่า เป็นธรรมที่เลสมควรจะสืบจะอ น, นุตตรสัมบันแต่การแนะนเป็นไปอีกอย่างหนึง่งการพืบถ้าหากมีมีความคิงภายในจิตในใจไม่มีอะไรจะยุ่งเกี่ยวนั่นถ้าพบนนบบาูบกับอนุตตรสัมบันแต่สามมนเนลลงไปกันกับจับอาบัติปายุติถ้าสืบโดยเกิบปัญมาอยากจะให้เขาการเสริมเด น, เด น, เดนองแตเราดีเราวด่น เราเห็นเราดูสิดูวิเศษเหนือคนต้องการให้เขานับหน้าทึ่ตาต้องการราบสกสาต่างๆอันนั้นมันไม่มีในตัวแต่ต้สพูดอยากจะให้เขาเลื่อนสอยากให้เขายินดูเ็นใจเราเป็นคนดีตนเพลิดไปเสดอย่างนั้นอย่างนี้นท่านจับอาบัติปารสิก มีหมายถึงมีมืความจริงถ้ามีมืความจริงปรับอวบตายจิตติในทางเข้าวิเนยสองพระมีอย่อย่างนั้นการอวดอุตริมรู้สึกทำเป็นสองสําคัญบางท่านบางคนสิ่งมาได้ชิดหลักการพูดไปจะผิดเพราะการศึกษาการทำวิเนยน้อยไปก็อาจจะเถือไปเดินไปก็จิตใจของเราเห็น เป็ น, อ, าามมน อ, อย่างไรสต่เราอยากพูดแต่พัตรายาดโยมหรือสามมณีปังนย่นนี้เป็นทางสีเขียเป็นทางสีตับอบัตเป็นโทษจับตัวต้องตัวถ้ามันมีเกียงถไม่มีเกลียงก็จับถึงจุดสุดประสาททั้งสี่ขันเขียวไว้เหมือนกันกันกบตามยาดเลือด มันมีเวลาที่จะงอกขึ้นได้ตามถ้าหากถูกตัดยอดตามตรงนั้นก็ต้องตายในทางอื่นถึงจะงอกหรือยเนยองคงอยู่ไม่จะทางตายถายเดียวหรือเหมือนหิ้วหักไม่มีทางที่จะเชื่อนกันได้หิ้วมันหักมันทางลงมา เย้ไถ่ก้นดินต่างๆมันแตกเยย้ายาก า, ากมันแตกแหลกละลายไปยายาไม่เยยยาในได้เนี่ยนั้นกับใบไม้ที่เหลืองเลี้ยง ล, ย ง, ลยงจากขั้วถึงจะเอาเอะไปติดต่อไว้ใบไม้ใบนั้นก็ไม่มีวันที่จเกื่ยวสดงดงามสุได้ น, นอกจากนั้นจะเหมือนคนตัดคอขาด มี้พทย์มีหนอทางไหนจะมาเยียารักษาให้หายปกติเป็นคนกินม่ได้ไหมายถึงปารานิ์เป็นอาบัตหนักสาหรับที่สุจะ ต, ต้องสังวรระวังรักษาเจขอ้อหักมนุษย์รักของเขาเหตุการณเอื้ออิริมนุษย์จะทำทั้งสี่ข้อนี้เพราะพระจ้างห่งหักในกที่ตุ ฝ่าฝืนแต่สิ่งที่สำคัญที่จะเต็นไปได้ของมนุษย์มันก็ยากลำบากของจิตใจโหดร้ายสามานจริงจังจึงจะทำลงรัะของเขาก็มีใใหลายแง่หลายมุมสิ่งจิตใจของบุคคลคุกทีโลกหลงไปในในา้านด้านต่างๆทางสิ่งของอาจจะเกิดขึ้น ราคาเป็นค่าของที่สุขทำบัญญัติเอาไว้ยงบาทเดียวพื่อห่านมตกบาทเดียวของไทยหรือหยิเดียวของลาวเงรียเดียวของหยุดสิ่งประเทศไหนเขาถือว่าเป็นบาทของเขาเป็นเงินของเขาจํานวนร้อยสตางค์ของเราจะถือเอาเหรียญนั้น เป็นสำคัญถ้าหาเรื่องล่ำทำเกินไปบาทแต่บาทหนึ่งสิ้นไปจะต้องขาดปรารถิเป็นปรารถิเป็นที่สุในตาสนาไม่ได้ถึงเป็นได้เขาไปฝากไปไหวไปสักการาบูชาต่อเป็นพระคือไม่ดีฉันยังจับเถิดหนักไปอีกเราขาดจากที่สุให้ที่อื่นก็ตากเข้าไหว เป็นบาปเป็นกรรมครับไย่ทางของเขาทั้งเสืเรามมีศืนก็เป็นบักเป็นกรรมดนั้นแผ้นีห้งเล็ดขาดเรื่องปราชิดเรื่องพายุไม่แหากเราอยากจะรู้อยากจะเข้าใจต่อตาอศึกษาจากาหรับตราทางศาสนะเพเป็นว่าบุกไิกขาไม่หขัน อยู่ในยมุกเล่นหนึ่งเล่นสอเล่นสามตันบอกเอาไว้อธิบายแจมแจ้งตัดเก็นเราจะนับสูดที่เงาทุกเงินสู่การฟังมันก็ยากเพราะเวลาในเชียงพอนี่เศอษฐิตถือวิสุทธามเนมนักเบือในเวียงธรที่เป็นอนุสาสิปชาอาจารย์เนี่ยสอนวันระบินอกจากนั้นจิตเชียงธรรม ันก็ บ, บอกเอาไว้สี่อย่า ง, หงเหมือนกันหนึ่งหงมผ่าบางสุกุลนี่ไม้พึ่มมากผ่าบางสุกุลหากเราไนมีหลาบตาะการะในใจข้าหาบอดีกิวอนเราไปสถานคือใดฝนผ่าตกหล่นซึ่งไมมีจดของตะกอน ห้าผ่อนคนสบายคือจะมาหนุ่มมาหอมมาอาศัยเจนของที่สุขรู้สึกว่าประชาจนต้งไม่เกตัป่าชเรื่องไสในศาสนาหายาท่านจึงมันหยัดให้ที่สุขแสงฮะหา่าบางสุกุลตามสถานที่ต่างๆตามถนนท้อทางตามพญาเงินปลอยตามป่าชาท่ายาว แปดนี้วกว้างสีนิ้วให้เก็บออกมารีกลับเอาไว้มาปะเย็บต่อกันเพื่จะตัดจนจะบงจีวรได้ถ้ากว้างสีนิ้วยาวแปบดบนิ้วแล้วเยะขนาดนั้นจะมาทำเป็นจีวรต้องปะติดปะต่อกันมากนับไม่ได้ห้าจะต้องหลายสีหลายอย่างมาซักซอ ย้ําทําจนบ่งจีวรหนึ่งห่มมีไม้ถึงจิตของที่ตุตุบวดในศาสตรานาในมีการเห่ห่มเบี่นเริมกวลกวายในการแต่งกายจะให้สวยงามอย่างขลุ่ดเขาพอตะหนึ่งห่มจิตบังเวายวะเศษถึงเป็นของหนสมเปรียงจะให้ผู่คนประชานเขาเห็นแ่านั้นหนึ่งห่ม จิกกั à, ình ình lá, đ đ đ ้งอวัยวะเพศหึ่งหมเพื่อความอบอุ่นอยู่ได้ป้องกันเหยือบยุงหนาร้อน่าจะหนึ่งห่มเพื่อความเสลยวงานหรือลาอย่างเาว่าเขาท่านจึงบรัญญัอย่างนั้นแต่ถ้าหากมีอขะหะบดีจีวรคือจีวรเข้ามาถวายท่านก็ไม่ห้ามเราสามารถ คือจะนุ่งฮอนด้แต่สมัยปัจจุบันคือวันนี้หายากค่ะบางจุดกินก็เหตุใดคือหดดายยากก็เพราะเหตุว่าถ้าพิสุสามเณรผิดเบื่อมาในศาสนามีลาสกละเล่มเหลือถ้านุางา่งา้าห่มนี่แต่เสื้อเงาเงาไม่ได้เย็บกระติดกระต่ออย่างนั้นาำได้อย่างสบายใจอยากได้เท่าไรตนมีพอ คือจะหนุそうそうああ Europe, ่จะห่มนี่คือสมัยปัจจุบันที่เราเห็นกันอันนี้เสงส่วนนี้เกิดมามาจากสู่ประฤติดปฏิบัติชอบคือพระพุทธเจ้าและอริยะสงฆ์เคยประปฏิบัติคุณงามความดีสิ่งเชนที่เชื่อถือของประชาชนเชื่อไปเห็นเขาเลื่องใสยินดีหาดตกบกท่องอะไรหรือต้องการยินสีสนขอหามาให้ ก็เลยมีมากมาหลายหลองขึ้นมันเปานลบากยากเย็นในการจะไปหา่าบางสเหมือนก่อนมีหมายถึงอต้นที่การสอนในกแสดงหาคือกแสงหาโดยมห่มโดยเจตนาในต้องตามหรืหลานตามตาอวดเอตามเอเสต่าง จิตใจเชนนั้นก็จิตใจมีทามในตัวเือนมือเตืนเรื่องโลกหนึ่งจะ่วรต้องทำจิตสงบจิตสมายหลังจากนีสอนแบบนั้นก็สองเทืยบินพะบาทต่อไปขอเขาดดวยอาจับยุริยา เดินไปไม่ต้องออกปากหรือไม่ต้องทําอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดให้โทรหามาให้จะเดินถ้บาทขอทานเข้ามาพิพิธการก็คือขอเมื่อก็สะดวกสบายในทำด้วยในสมัยพิพิธการการเดินถ้บาทลําบากไปจะต้องยืนหน้าม้านของเขาตั้งเกตว่าเขาจะให้หรือไม่ให้หรือจะเป็นอย่างไรถ้าเขาจะให้ การเจอเห็นก็คอยเขาสายืนงานขอส่งควรไหนเห็นเขาทําต่ติดริยาณขาดที่อะไรแต่นี้ไปการขอทานเป็นเรื่องลําบากยุ่งยากในจะเล่นนุ่งกันกว่าจะได้มาสดมาฉันแต่ละวันแต่ละที่สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแต่สมัยปัจจุบันก็ง่ายอีกไปในบ้านได้เขาก่อ พอจะเห็นยึดสื่สารมาเน้นต้องยิงาบเขาก็เตรียมตัวในทันต่อนิมนต์มาอย่างนั้นต้องยงตามมีอตัวง่ายสบายมีอก็อเนกสงของศาสนาเนื่องจากพระพุทธเจ้าหรือริยสงสานเคยปฏิบัติปฏิบัติชอบมาแต่ตั้งก่อนคนเห็นเราเลื่องไสเราก็อาศัยหาเหลืองเทพของนักบวช อย่มีชีวิตอยู่ได้ในศาสนายืนโยงเคงมากรเพระเหตุว่าเขาเรื่องใสตับทาข่ า, านหนึ่งท่าหมหรือการสกขันพะเป็นไปไม่มีอะไรที่จะลำบากอยากเย็นท้าเขาเห็นเขาจิดใจของเราคือสายแสแแสบเวียนไม่ได้คิดอยู่ในหรือในทางของศาสนาไม่มีพระมีเมิประจัญจิต เขาอาจจะเบื่หน่ายอะะเขาเห็นเดยรางของเขาเราต่อเรือสอนตัวของเราการไปยินธบาศแต่ต้องยอมระวังรักษาเขาอานาไปในตัวนี่เป็นคำสอนอนุศาตรที่ให้ศึกษาให้ลง ม, มือปฏิบัติก็สามต่อไปอยู่ควรเป็นไม้ไหมายถึงว่าดีดัางสบาย ไม่ต้องคิดจรงใหญ่โตก็อย <|so|> ู่ได้อาศัยได้ที่ไหนอยู่ไปแต่สมัยก่อนท่านสอนอย่างนั้นสมัยปัจจุบันอยู่คนไม้หากขึ้นหน้าท่านษาท่านห้าเข้าท่านษาจะต้องมีทู่อยู่ที่อาศัยอยู่เ้นไม้ก็ไม่ได้อยู่ในถ้ำจะต้องมีสาจิตเตปได้ คนือมีประตูออกเข้านี่เพืงจ้ไม้ถึงการถึงเวลาไม่ใช่น่าสนออกภาษาหาวิเวกภาวนาตามตระฐานที่ต่างๆก็ <c oughs> ควรไม้พอเป็นที่อาศัยกันแดดได้แต่ฝนไม่ได้กันแดดก็ได้เป็นบางการมอาเวลาเพราะไม่มีอะไรติดบงังไม่มีฝา แต่ท่านก่อสอนประโยชน์อันนี้เรื่องอันนี้ก็เพราะพพุทธเจ้าเองจักษรู้จากควรไม้ถ้าพิกษ์อริยสงฆต้นของศาสนาระอยู่ากเพื่อปฏิบัติอาจิาาธรรมรู้เห็นรีเด่นทางน้านจิตใจแต่จึงสอนให้น้อยสั้นต่ในการหนื่งการหุน การขบการฉันการเจยู่ในชิดจรจะต่างนั้นสรางนี้ด่านวัตถุจนเกินเตุเกินผลจะเขาทำให้จะต้องดูแลรักษาเสนาสนวัตมือบาดกวาดหรือดูแลรักษาจวดหรืออะไรสิ่งก็ต้องแกะต้องแค่ออกเนื้อมันสมริดซุกซนก่อมีการกะปิดั้งข้อน ก่อมแปลงดูแลหนึ่เป็นเรื่องเจนาชนะวัดคือวัดของที่สุดูแลรักษาคืออยู่ที่อาศัยเางตนทำเนียสอนในโดะสังส่งโบสั่งาลาสังส่งกฏิวิหารใหญ่โตหรือหลาทำสอนแบบง่ายๆแบบสบา ย, ายาสำหรับเกิดอนของพระนอกัากข้อที่สี่ จะสอนให้กระทาเรื่องของยาจำเป็นทั้งเพศของพระเนนและพราว่าสันจริงว่าเรื่องทั้งสี่คือจีวรลนินทบบาทเจนาชนะเจอนาเทศเป็นจิตจำเป็นของพระเนนหรือพราวา เป็นสิที่อาศัยของมนุษย์คือมีชีวิตปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรดาชิตคืออย่างยาคือท่านแนะท่านสอนเป็นยาที่ประชาชนคนทั่วไปไม่นิยมกันพระคือมีกี้เหลวปัญหาพระคือมีชีิตขมานะก็อาจจะฉันไม่ได้ คำบอกว่าให้ฉันยาดองเหนือนมเมือดเน่ายาดองโดยนำนำเหลี่ยวของเราหรือของคนอื่นนั่แหละเป็นยาที่พระพุทธเจ้าแนะสอนหรือเป็นอนุสาดเด็กยิ้มต้นแสวงหายาอื่นเท่าไรสมัยนั้นคงจะถือกันเรื่องการขบฉันนําเมือดดองไปตุกน้ําป้องสมอต่างๆ สมัยปัจจุบันคือาอาจารย์ท่านก่ทอทำเพราะเป็นญาระ บ, บายและเป็นยาที่ทําให้รหาขขา่างกายตื่กรฉันมีกําลังขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่คือจะได้ฉันมีจานวนน้อยสมัยปัจจุบันเราเกิดทำกันยาเหล่านี้นี่คือเป็นยาในพระวินยั ย, น ย, ยเรื่องอนุศาสร์ที่ทาอาจารย์สอนบางท่านบางคนงเบื่อแต่ เด็กจนกระทั่งวันตายก็เคยอย่างเหนี้นเพร า, า, า ย, ยาอื่นมันมีมีเครื่องยูตาเครื่องาตกรรมฐานโดยสจำได้ที่เคยทํากันมีกัเคยฉันมาอย่างเหล่านี้มีหมายถึงบัตรใจเครื่องอาศั ย, ย, ยทั้งสื่สืบสืบตามมาเนนเริ่มจากเพศของคารวาะเขามาบวชในศาสนาถ้าหากตั้งหนา้า ต่างๆต่อเพอปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธาจาาสอนเป็นไปในทางสงบเป็นไปในทางเงยี่ยงง่ายเป็นไปในทางจะทำกายทำใจท้องตัวให้ประสบวิเศษคลชีวิตเล ก, กที่เคยมีมาให้หงอยเหงาหรือหลุดเหลื่มไปเพรใจของทุกคนที่ผ่านพร า, าวัารมา เคยแต่หรือหลาเคยแต่อย่างที่โลกเขานรยมอันนั้นดีอันนี้ดีเสดชอบแต่พอมาเบียดหมดสิดธิ์จะทําอย่างนั้นเพราะเหตดใดก็ชีวิตของนักเบียดอาศัยคนอื่นต้องให้อะไรมากว่าทานไป ต, ตามเรื่องของตัวเป็นใดที่ไม่ผิดทำรด้ น, ดาานในจรงใดที่ไม่เป็นข้าศึกต่อธาตุขันโรคภั้ของตัว ทานได้ฉันได้ไม่ถือว่าอันนั้นต่ำอันนี้สูง อ, อันนั้นดีอันนี้ไม่ดีเรียสังอย่างนั้นอย่างนี้จิตคิดคิเป็นไปอย่างนั้ น, น, นไม่ยังนะัดับเอาไว้การขบฉันเพื่อจะยังชีวิตให้เต็มอยู่เต็มวันๆได้จะทิพยปฏิบัติตั้งหน้าภาวนาทําความดีของนั้นในม่อในรสชาติหนึ่ ง, งหอมก็เหมือนกันในมือในความสวยงาน อยอาศัยก็มืนกันในต้องเพียงต้องเหียงต้องเย็บต้องถือที่อยู่ที่อาศัยเรื่ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อไม้หรือทานอนได้ย อ, อยู่สมานี่ทางสอนจิตอันนี้เป็นจุดสําคัญทางท พ, าาพาระพนะุทธศาสนาเรื่องพระเนนจะต้องศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติเป็จนจิตประวัดภายในจิตในใจทั้งตน หากคือศึกษาคือตั้งหน้าปฏิบัติเพื่อคนขี่เหลี่ยปัญหาเพื่อทำลายจิตใจให้ฟองใสทำจิตใจให้สงบจะต้องทำอย่างนี้ถ้าไมา่ทำอย่างนี้ไม่มีวันเวลาจิตใจมันจะคิดจะอ่านขีดนี้จะจิตที่ อ, อ, อาศัยในเสืองามมันจะคิดไปอยากจะต่อสร้างหรืออยากจะไปหาที่ใหม่ที่นี้อาหารในดี รสชาตินในอร่อยใจลิ่งว่อนไปหาอาหารจีชอบตามที่เรบตามหาเ้รองตัวเพื่อผิดคิดหนึ่งสิ่งเนในจิตในใจแบบนั้นก็หาความส ง, สงบสงบในจิตในใจได้ในโอกาสเวลาจะภาวนาเป็นเน็ดจป็นหน่วยได้ถ้าหากเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าหารืออิปชาอาจารย์สอนมา มันง่ายมันสบายจิตสาคัญของศาสนาไปเหยียบมาตั้งหน้าตั้งตาละชั่วดำเพ็มดูทำจิตของตนให้ผ่องใสสงบเย็นนี่เป็นจิตสาคัญต้นจิตใหญ่เป็นงานใดญเป็นงานเฉพาะของนักบวชไม่ใช่งานเล่นเล่นงานละกิเลสเป็นงานใหญ่ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดว่าทุก ร, ยระยะทุกเวลาทุกวันคืนเดือนตีเราจะต้องตั้งหนาประเภศปฏิบัตให้เกิดอัดเกิดทมขึ้นในจิตในใจทั้งตนอย่างไรจะสะดวกจะสะบายภายในใจจะไม่ยึดไม่ถือใจจะสะงบรังนับถึงจะฝ่าฝูนที่เหลือปัญหาความอยากภายใน มากน้อยเทอะไรในต้องทำหนูหาจะต้องตั้งหน้าศึกษาต้องตั้งหน้าทำในจิตอย่างนั้นเป็จนจิตใจของตนเห็นผลในความเป็นอยู่ว่าอยู่แบบนั้นมันสะดวกสบายมันง่ายในการรักษาง่ายในการภาวนาง่ายในการทำจิตเห็นอนนี้สจากการกระทามำเพงของตนเห็นผล ความสุขความสบายภายในจิตในใจไม่มีอะไรในโลกทั้งสามในวัฏก า, ารเมลโลกอุกโลกอกโลกจะประเสริฐวิเศษเท่ากับจิตจิรละเหีรยร้ที่เหลือได้เข้าใจชัดเนจนเป็นอยู่ภายในตัวโดยไม่มีใครบังคับบัญช า, าการจะทำมันเป็นภาวานามันจะต้องเป็ น, นอัตโนมัติของมันไปเองเนื่องจาก จิดได้สัมผัสรับ ร, บ, รบอัดทำทีทเียวต่อพิสต์ปฏิบัตินี่เป็นเรื่องสาคัญถ้าเห็นอัดเข็นภายในจิตในใจใจได้รับสัาผัสจากอัดทำที่ประเิสปฏิบัติเรื่องนอไม่เป็นของสาคัญหนักน่มีความสุขความสบายยู่ทิศระยะไม่เป็นทิศตดข้องกับเรื่องทั้งโลก คิดที่ในมือทำนะเดือร้อนเลือนลอยคิดเองใปต่างๆตาเห็นติดคิดเองชอบรักหืูได้ยินก็ชอบฟังสิ่งที่จะมาตอเตือนจิตใจให้เกิดความประนัตยินดูเพิดเพลินไปในเสียงต่างๆจะมือได้ขึ้นก็คิดนึก ติตามไปแวมม่มันหอมอย่างนั้นมันหอมอย่างนี้มีเครื่อจิตที่ในมี อ, อาจดทำทรายแฝออกไปเรื่องนอกเสนอไปเพราะนั้ น, อนกองเหลือท่านจึงให้อาวุธเพื่องเจอาโลานะขาทันตาตาโจมีอาวุธสําหรับนักเหลือที่จะไปสื้อบรบขบตัดกับเรื่องเจือเลือปัญหาท่านสอนใน ท, ทุ่งนาเรื่งเหล่านี้น สมัยพุทธการท่านทำมาพิจารณาตามทำสอนได้สาเร็จเลื่อนเรื่องเป็นอรหันตอรหันต์นับคันนับหนึ่งนับแสนนับล้านไม่ได้แต่สมัยปัจจุบันต่างกันเล่นเร็วในเอาจีงเอาตามพิจารณาไม่จีมไม่เห็นหยุดเลยเพื่อเพินเล่มนหลงในรุ่ในเสียงในกลิ่นในรส ในซ้ำผัดไปถ้าหาก้ใ่เจนาเข้าใจตามคําสอนที่อุปสาอาจารย์สอนหรือพราพุทธเจ้าเนี่ยจิตใจจะไม่เหนือทำดีในตัวได้ที่เหลือปัญหาก็ยอมร่าตาว่าเพราะเมื่อจิตพิ่เจน่าทำนะพิ่เจนาเรื่องของกรรมฐานดยูที่เหลสจะยอมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตมีหน้าที่อันเดียว คิดไปอันใดต่อไปอันนั้นอันที่สองจะต้องวางไว้ทิ้งไว้จิตใจมีหน้านะที่อันเดียอะอย่างนั้นเมื่อเรากสงบที่ไม่ทุจรณะอาจทําสิที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนี่เนหลศจึงมีหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องควบคันกับจิตใจของเราน่ะโดยเสือใดญยังในนี้อาจมีทําละเอียด ยังไม่มีที่อยู่ที่อาศัยจิตใจยังไม่เคยเห็นเป็นในอดในธรรมเรื่องสมาธิสมาบัติจิตจะตังง้งติตข้อเถรดเทมในรูเสียงกลิ่นรสต่าฉะนั้นท่านจึงวางอาวุธคือตกรร ม, มาฐานให้ใทิจย น, นาเจ้าสาเลอมานาขาชันตาไตรโจซึ่งสิงเหล่านี้เราไปสถานที่ใดติดตัวไปตลอดเวลา แต่เกิดมาเพื่อจะทั่งวันตายกรรมฐ า, านคือ ท, ทำจะต้องมีประจำตัวมาตลอดจะพิจารณาเวลาใดตามใดสมัยใดได้ท้งนั้นเป็นตำราที่นักภาวนาะนักเบืวดจะต้องศึกษาเจ้าสาต่อผู้ผลผลนั้นโดยส่วนใหญ่หากใข่คิดพิจรารณาหยุผลตามหลองสมมติทั้งโลก เรากอมากอากจะหลงจะถือว่าผมเป็นของสวยงามคนทน่มีผมหรือผมที่คนที่การใน่โดดหนาหรือคนอะไรเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่าคนนั้นไม่งามมีโลกคนนุษถือกันอย่างนั้นผมจึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะทําึงข้าให้เกิดขึ้นคือเขาใจ้องหายสิ่งที่มาบำรุงผม มันเสือมันงามอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดทั้งด èn, ัดแปลงแก้ไขตกแต่อองต่างๆเสีเงินเสียทองไปนับไม่ได้คนที่ชอบเสืองามก็ต้องไปตกแต่งขมันเป็นความนิยมคมนิของวหลกอย่างแบบนั้น